ตอนที่สี่สิบเกี้ยวที่อร่อยที่สุดเกาช้างเหอไม่ยอมรับเงินนั้นสหายม่านอินเงินนี้ผมไม่รีบคุณเก็บไว้ใช้เถอะครับไม่ไดีค่ะคุณช่วยพวกเรามาม า, มากพอแล้วเงินนี้คุณต้องรับไปให้ได้ซูม่านอินเดินอ้อมโต๊ะแผงลอยมาหาเกาชัางเหอนางคว้ามือของเขาเตรียมจะยัดเงินใส่แต่กลับพบว่าเกาช้างเหอกำมัดแน่นคุณกับผมจาเป็นต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอซูม่านอินชะงักไปครู่หนึ่ง คนรอบข้างเริ่มประสิทประสิทราบกันแล้วแม้ในใจของซูมานอินจะรู้สึกขัดเคินอยู่บ้างแต่นางยังคงรักษาความสงบเยือกเย็นไว้ได้ผู้อํานวยการเก่าคตินี้ก็ต้องคืนเงินเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามทํานองคลองทําต่อให้ท่านจะเป็นตํารวจและฉันเป็นชาวบ้านก็ไม่อาจเอาเปรียบท่านไปตลอดได้หรอกคะ่ะซูมานอินพยายามจะง้างมือของเกาช้างเหอออกแต่กลับพบว่านางง้างไม่ขยับเลยสักนิดเกาช้างเหอเห็นนางออกแรงจนหน้าดําหน้าแดงมุมปากก็ยกยิ้มขึ้นก่อนจะยอมคลายมือออกเอง ซูมานอินศโอกาสรีบยัดเงินใส่เมื่อเกาชางเหอแล้วหมุนตัวเดินกลับไปหลังโต๊อย่างรวดเร็วเกาชางเหอกำเงินไว้ในมือแล้วเดินตรงไปหาชินเสี่ยวเยาว่าสหายชินธุรกิจของพวกคุณผมขอเข้าหุ้นด้วยได้ไหมชินเสี่ยวเย่เวมองปึกเงินหนาเต๋อในมือเขาดวงตาพันเป็นประกายทันทีผู้อํานวยการเก่าท่านรู้ได้ยังไงคะว่าพวกเรากําลังที่จะขยายร้านและกําลังขาดเงินอยู่พอดีเสี่ยวเย่เว ซูมานอินรีปรามฉินเสี่ยวเย่เว่ฉินเสี่ย ว, วแย่วแซงทำเป็นหลุดปากนางรีบตบปากตัวเองเบาๆแล้วหลบไปทำงานต่อพวกคุณจะขยายร้านเหรอเกาช้างเหมิมมองซูมานอินด้วยความสงสัยแล้วจะทำไหวเหรอครับก็ไม่เชิงว่าขยายหรอกแค่แค่ตั้งใจจะเช่าห้องสักห้องซูมานอินอธิบายนี่ก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศเริ่มเย็นลงถ้ามีลมมีฝนขึ้นมาจะกระทบต่อการค้าขายมาก ฉันเลยคิดว่ามีร้านเป็นหลักแหล่งน่าจะสะดวกกว่าเดิมทีสู่มานอิงตั้งใจจะทำตู้เหล็กเล็กๆที่ใช้รถลากไปมาได้แต่ทั้งรถและตู้นั้นเป็นเงินก้อนใหญ่แถมการเอาขึ้นถนนก็ลำบากสู้เช่าห้องใกล้ๆจะดีกว่าอย่างแรกคือมีที่บางแดดบางฝนอย่างที่สองคือถือโอกาสนี้ยื่นเรื่องขอโคตาเนื้อสัตว์จากบริษัทอาหารเสริมได้ด้วยแม้เนื้อหมูในชนบทจะราคาถูกแต่ก็ยังไม่มั่นคงพอ ฝีมือของซุนจิ๋วหลิงไม่เลวเลยฉันเลยกับว่าจะขยายกิจาการเปิดเป็นร้านอาหารขายทุกอย่างเลยค่ะเกาชังเหอพยักหน้ายอย่างชื่นชมแบบนั้นก็ยิ่งดีเลยเงินไม่กี่ร้อยหยวนนี่ถือเป็นเงินเข้าหุ้นแล้วกันรบกวนสหายซูม่านอินรับไว้ด้วยนะครับซูม่านอินไม่รับนางจ้องมองเกาชังเหอด้วยความระแวงผู้อํานวยการเกาหย่าล้อฉันเล่นเลยข้าท่านเป็นข้าราชาการย่อมไม่อาจยุ่งเกี่ยวกับการค้าขายได้ผมไม่ได้บอกว่าผมจะเข้าหุ้นเองนี่นาเกาชังเหอกล่าวอย่างเจ้าเล่ แม่ของผมที่เป็นพนักงานกเกษียณแล้วเข้าหุ้นในร้านใหม่ของคุณไม่ได้หรือครับสหายซูจะเปิดร้านเหรอยางเหวนจะวิ่งเพิงกลับจากการประชุมที่ตัวอำเภอเหงาช้างเหอยยืนอยู่หน้าประตูโรงงานแต่ไกลจึงลงจัดจักรยานแล้วเข็นเข้ามาหาพอเดินมาถึงก็ได้ยินว่าเกาช้างเหอจะเข้าหุ้นในร้านใหม่ของซูมานอินพอดีสหายฮซูมีความกล้าหาญมากนะเนี่ยเลือกทำเลร้านไว้หรือยังพวกเราแค่เพิ่งเริ่มวางแผนคือยังไม่ได้เลือกทำเลเลย ซูมานอินตอบกลับด้วยรอยยิ้มผู้อํานวยการโรงงานอย่างท่านมีเส้นสายกว้างขวางไม่ทราบว่าพอจะมีที่ทางดีๆแนะนําบ้างไหมคะแน่นอนว่าถ้าได้ที่ที่ใกล้กับโรงงานทอผ้าหน่อยจะดีมากคะ่ะเพราะพวกเราก็ไม่อยากทิ้งแผงลอยตรงนี้ไปเปล่าๆมีที่หนึ่งที่เหมาะมากจริงๆนะอย่างเหวนจะวินชี้เปียงร้านทําผมรัฐวิสาหกิจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันร้านทําผมร้านนั้นกําลังจะย้ายออกไปรวมกับร้านในตัวเมืองแล้วล่ะ ซูมานอินมองไปยังร้านที่มีประตูไม้สีน้ำเงินหน้าต่างกระจกบานใหญ่ด้านในเห็นช่างตัดผมกำลังนั่งสงบอยู่ร้านทำผมใหญ่ขนาดนั้นอยู่ดีๆทำไมถึงย้ายออกล่ะคะนั่นไงดูตรงนั้นสิยางเหวนจ์วินชี้ไปทางข้างร้านทำผมรัฐวิสาหกิจมีป้ายร้านสีแดงสดใสตั้งอยู่โดดเด่นบนนั้นเขียนว่าร้านทำผมฮงโตแม้หน้าร้านจะไม่กว้างขวางนักแต่กลับมีลูกค้าเดินเข้าออกไม่ขาดสาย คนถูกร้านทําผมของพวกผู้ประกอบการรายย่อยที่เพิ่งเปิดใหม่นี่แย่งไปหมดแล้วหยางเหวินจะวินเอ่ยอย่างนึกเสียดายความจริงก็ไม่ถือว่าแย่งหรอกข้ามันคือระบบเศรษฐกิจแบบตลาดใครดีใครอยู่ซูมานอินถอนหายใจหากไม่คิดจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่กล้าวไปพร้อมกับยุคสมัยสุดท้ายก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาซูมานอินเอ่ยพลางข้อสายตามองหยางเห ว, วินจะวิ้นหยางเหวินจะวินครุ่นคิดตามคําพูดของสูมานอินในใจพันเกิดระลอกคลื่นสันคล อ, อย่างรุนแรง สิ่งที่ซูมานอินพูดมานั้นช่างคล้ายคลึงกับสิ่งที่เลขาธิการคณะกรรมการพักประจำอำเภอคนใหม่พูดไว้ไม่มีผิดวันนี้เขาไปประชุมที่ตัวอำเภอเลขาธิการกู้วนเซเวียนคนใหม่ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษว่ารัฐวิสาหกิจต้องคว้าโอกาสจากสายลมแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศต้องรู้จักสแสวงหาความก้าวหน้าและสิ่งใหม่ๆหากยังดึงดันจะใช้วิธีการเดิมๆทํางานไปวันๆไม่ช้าก็เร็วคงต้องถูกคัดออกดูเท่าว่าเขาต้องกลับไปคิดทบทวนให้ดีเสียแล้วว่าจะปฏิรูปโรงงานทอผ้าให้ทันสมัยได้อย่างไร เกาช้างเหอมองสู่มานอินด้วยสายตาเป็นประกายเธอช่างดูโดดเด่นและเต็มไปด้วยพลังเหลือเกินหนึ่งเดือนต่อมาด้วยความช่วยเหลือจากสํนักงานเขตและหยางเวนจวินสูมานอินก็ได้เช่าบ้านหลังนั้นโดยไม่ต้องรอให้ซูมานอินเอ่ยปากเรียกโจวเวยหมินก็พาลีช้างอันผู้เป็นลูกศิษย์ส่วนเกาช้างเหอก็พาเสี่ยวหวังมาช่วยกันทําความสะอาดร้านผู้อํานวยการกาวันนี้คุณไม่ต้องทํางานเหรอคะฉินเสี่ยวเยาตะโกนถามพลางใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดเคาน์เตอร์ จะกระทบกับงานของคุณหรือเปล่าไม่หรอกครับนี่ก็ถือเป็นการรับใช้ประชาชนเหมือนกันเกาช้างเหอวังมา้านั่งยาวลงพร้อมกับส่งยิ้มโชว์ฟันขาวเรียงตัวสวยให้ฉินเสี่ยวเวย่เว่ดูซื่อบื้อไปนิดแต่ก็เป็นความซื่อที่น่าเอ็นดูไม่น้อยอาจารย์ครับผมว่าผู้อํานวยการก็ดูจะมีใจให้สหายซูนะครับหลี่ช้างอันที่กําลังถูพื้นอยู่ตรงมุมห้องขยับเข้าไปใกล้โจวเวยหมินที่กำลังซ่อมโตเก้าอี้แล้วเริ่มประสิทประสาบเรื่องสุบสิบโจวเวยหมินถลึงตาใส่หลี่ช้างอันทีหนึ่ง ให้มาทำงานไม่ได้ให้มาปากมาฟลีช้างอันตอบครับคำเดียวแล้วรีบหลบไปทำงานต่ออย่างว่างา่ายโจเวย์หมิ่นเหลือบมองซูมานอินที่กำลังตรวจนับเครื่องครัวอยู่กับภรรยาของเขาแล้วหันไปมองเกาฉางเหอที่ขยันขันแข็งราวกับมีพลังเหลือเฟือในใจก็เริ่มรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดีจริงๆเมื่อมีแรงงานชายมาช่วยหลายคนไม่นานนักในบ้านก็ถูกจัดการจนเกือบเข้าที่เข้าทางที่นี้ทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาทานเกี๊ยวด้วยกันก่อนซูมานอินเอ่ยด้วยรอยยิ้ม วันนี้เป็นเส้กุยไช่หมูสับทานได้ไม่อ้นเลยค่ะแม้ซูม่านอิงจะเป็นเจ้ามือแต่สุดท้ายทุกคนก็ช่วยกันห่อเกี๊ยวอยู่ดีแม้แต่ตอนต้มก็ยังเป็นสองสามีภรรยาตระกูลโจที่ช่วยจัดการให้ในที่สุดเกี๊ยวที่ต้มสุกใหม่ๆก็ถูกยกขึ้นโตะ๊ทะทว่าทันใดนั้นเองกลับมีเสียงรถตำรวจดังขึ้นที่หน้าประตูนายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งวิ่งพริ้วพราดเข้ามาผู้อำนวยการครับเกิดเรื่องที่ฝั่งตะวันออกของเมืองต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ครับ พ่อเกาชางเหอได้ยินดังนั้นก็ลุกพรดลาคเสี่ยวหวังเตรียมจะออกไปทันทีผู้อําวยการกระทานก่อนค่อยไปสิคะฉินเสี่ยวเย่เวอเอ๋อรั้งคุณไม่ยังอยู่ข้างหลังรอท่านหน่อยเถอดคะ่ะเกาชางเหอลังเลเล็กน้อยสายตาเหลือบมองไปทางห้องครัวเห็นซูมานอิน ย, ยังยุ่งอยู่จึงหันไปกําชับฉินเสี่ยวย่าวไม่ทันแล้วฝากบอกสหายมา่านอินด้วยว่าผมมีภารกิจด่วนต้องขอตัวก่อนพูดจบเกาชางเหอก็ลากเสี่ยวหวังเดินออกไปอย่างรวดเร็ว ทว่าพอขึ้นรถมือข้างหนึ่งก็คว้าประตูรถเอาไว้ได้ทันเอาไปทานระหว่างทางเถอะขะท้องว่างแบบนี้จะทํางานให้ดีได้ยังไงซูมานอินยัดกล่องข้าวใส่อ้อมแขนของเกาฉังเหอจากนั้นก็ปิดประตูรถอย่างคล่องแคล่วและตะโกนบอกคนขับรถที่กําลังอึ้งอยู่ว่าออกรถได้เลยค้าเดินทางปลอดภัยนะคะเมื่อรถเริ่มเคลื่อนตัวเกาฉังเหอถึงเพิ่งได้สติกลับมาเขาเปิดกล่องข้าวออกดูข้างในเต็มไปด้วยเกี๊ยวอัดแน่นจนเต็มกล่องเขาหยิบขึ้นมาลูกหนึ่งแล้วส่งเข้าปาก อร่อยนี่คือเกี๊ยวที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยทานมาเลยทีเดียว